ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกส3ิ 33. คนไข้ที่พยาบาลยากและพยาบาลง่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่ประกอบด้วยธรรมหรือธรร ม, มะห้าอย่างเป็นผู้ที่พยาบาลยากคือหนึ่งมักทำสิ่งซึ่งไม่เป็นที่สบายหนังสือหมายเหตุไว้ว่าคือชอบฝืนคำสั่งหมอเช่นชอบกินของแสลง ห้ามเดินจะเดินห้ามพูดจะพูด 2. ไม่รู้ประมาณในสิ่งที่สบาย 3. ไม่กินยาสไม่บอกอาการป่วยตามความจริงแก่ผู้พยาบาลผู้ปรารถนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าอาการป่วยเพิ่มขึ้นทุเลาลงหรือทรงอยู่ 5. ไม่อดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดไม่เป็นที่พอใจถึงขนาดจะร่าชีวิตคนไข้ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ที่พยาบาลยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเป็นผู้ที่พยาบาลง่ายคือหนึ่งมักทาสิ่งอันเป็นที่สบายสองรู้ประมาณในสิ่งอันเป็นที่สบาย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 เป็นผู้พยาบาลง่ายข้อความจากปัญจกนิบาตอังคุตระนิกายส4คนพยาบาลไข้ที่ดีและไม่ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยธรรมหอย่างไม่ควรที่จะพยาบาลคนไข้คือหนึ่งไม่สามารถที่จะจัดยา 2. ไม่รู้ของควรของแสลงนำของแสลงเข้าไปให้นำของไม่แสลงออก 3. เป็นผู้เห็นแก่อามิตพยาบาลคนไข้ไม่มีเมตตาจิต 4. รังเกียจที่จะนำไปเทซึ่งอุจจาระปัสวะอาเจียนและเคละหรือน้ำลาย 5. ไม่สามารถที่จะชี้แจงชักจูงปลุกใจปลอบใจคนไข้ ด้วยธรรมิกถาเป็นครั้งคราวคนพยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยธรรมหรือธรรมะห้าเหล่านี้แลไม่ควรที่จะพยาบาลคนไข้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างควรที่จะพยาบาลคนไข้คือ 1. สามารถที่จะจัดยา 2. รู้ของควรของแสลง นำของแสแลงออกนำของควรเข้าไปให้ 3. มีเมตตาจิตพยาบาลคนไข้ไม่มุ่งอามิตร 4. ไม่รังเกียจที่จะนำไปเทซึ่งอุจจาระปั ส, สวะอาเจียนและเคละหรือน้ำลาย 5. เป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงชักชวนปลุกใจปลอบใจคนไข้ด้วยธรรมิกถาเป็นครั้งคราว คนพยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยธรรมห้าเหล่านี้แหลควรที่จะพยาบาลคนไข้ข้อความจากบรรจการนิบาทอังกุตระนิกายสำหรับคำว่าธรรมมิกถาหมายถึงการกล่าวธรรมะการกล่าวเรื่องราวที่เป็นธรรมส5หาฐานะห้าที่ควรพิจารณาเนืองเนือง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าเหล่านี้อันสตรีบูรุษเขรือหัดหรือบัรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองคือหนึ่งควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. ควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. ควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง 5. ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นสำหรับคำว่าเรามีกรรมเป็นของตนในที่นี้หมายถึงการกระทำและผลแห่งการกระทำหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมตรงนี้สักนิดนะครับเนื่องจากมีการเผยแพร่และสอนกันแบบผิ ด, ผด ในหลายส่วนที่เคยเห็นทางทีวีเรื่องเรามีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ใช่หมายถึงว่าพ่อแม่ทำกรรมและกรรมจะตกสู่ทายาทนะครับแต่เราทำกรรมอะไรนั้นมันจะเป็นทายาทที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติและไปแสดงผลในวันใดวันหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องไปรับผลกรรมที่คนอื่นทำไว้นะครับแม้จะเป็นพ่อแม่เราก็ตาม แต่กรณีที่เราต้องรับกรรมที่พ่อแม่ทำไว้นั่นก็คือผลกรรมที่เป็นทายาทของเราที่ส่งให้เราต้องมาเกิดเป็นลูกของท่านต้องมารับผลร้ายจากท่านนะครับต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วย 36. เหตุผลที่ควรพิจารณาฐานะห้าเนื่งเนืองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเล่าสตรีบุรุษเขาเรืหัดหรือบันผชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเมื่อพิจารณาฐานะนั้ น, นเนืองๆ ก็จะละความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้สิ้นเชิงหรือความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นจะลดน้อยลงไปเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเล่าสตรีบุรุษครหัดหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ดูก่อนอีกสุทั้งหลายความเมาในความไม่มีโรคของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเมื่อพิจารณาฐานะนั้ น, นเนื่องก็จะละความเมาในความไม่มีโรคนั้นได้สิ้นเชิงหรือความเมาในความไม่มีโรคนั้น จะลดน้อยลงไปเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บไข้ไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเล่าสตรีบุรุษเคารหัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลวงพ้นความตายไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเมาในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเมื่อพิจารณาฐานะนั้นหนึ่งเนืองก็จะละความเมาในชีวิตนั้นได้สิ้นเชิงหรือความเมาในชีวิตนั้นจะลดน้อยลงไปเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเล่าสตรีบูรุษขรือหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดด้วยอำนาจแห่งความพอใจ ในสิ่งที่เป็นรักของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเมื่อพิจารณาฐานะนั้นเนื่อ ง, งก็จะละความติดด้วยอํานาจแห่งความพอใจในสิ่งที่เป็นที่รักได้สิ้นเชิงหรือความติดด้วยอํานาจแห่งความพอใจในสิ่งเป็นที่รักนั้นจะลดน้อยลงไปเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์นี้แล จึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจะต้องพัดรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเล่าสตรีบุรุษเข้าฤหัตหรือบันพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุจริตทางกายวาจาใจของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่เมื่อพิจารณาฐานะนั้นเนืองๆก็จะละทุจริตได้สิ้นเชิงหรือทุจริตนั้นจะลดน้อยลงไปเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละ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 สามสิบเจ็ดผู้หลับน้อยตื่นมากในราตรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าประเภทเหล่านี้ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรีคือหนึ่งสตรีผู้มีความประสงค์บุรุษสองบุรุษผู้มีความประสงค์สตรีสโจรผู้มีความประสงค์จะลักทรัพย์สี่ ราชาผู้ประกอบในราชกรณียกิจ 5. ภิกษุผู้มีความประสงค์จะปราศจากสัญโยช์คือกิเลส ท, ที่มัดสัตว์ไว้ในภพดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าประเภทเหล่านี้แหลย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรีข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย สามผู้ตกนรกดูก่อนอีกสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำห้าอย่างย่อมตกนรกเหมือนถูกนําตัวไปวางไว้ทำห้าอย่างคือ1เป็นผู้มกักฆสัตว์สองเป็นผู้มักลักทรัพย์ 3. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกามสเป็นผู้มักพูดปดห้า เป็นผู้มักตั้งอยู่ในความประมาทด้วยการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลย่อมตกนรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย 39. ผู้ขึ้นสวรรค์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างย่อมขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ธรรมอย่างคือ 1. ผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. ผู้เว้นจากการลักทรัพย์ 3. ผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกรรม 4. ผู้เว้นจากการพูดปดห ผู้เว้นจากการตั้งอยู่ในความประมาทด้วยการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลยอมขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย 40. สบับปุริสถานหพร้อมทั้งอนิสง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทานคือการให้ของคนดีห้าอย่างเหล่านี้คือหให้ทานด้วยศรัทธาคือความเชื่ออย่างมีเหตุผล 2. ให้ทานด้วยความเคารพ 3. ให้ทานตามการ 4. ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ 5. ให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลให้ทานด้วยความเชื่อแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่งบุคคลให้ทานด้วยความเคารพแล้วในที่ที่ให้ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขายอมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีบุตรภริยาทาสคนรับใช้หรือกรรมก ร, รก็ตามบุคคลเหล่านั้นยอมสนใจฟังยอมเงียหูฟังยอมตั้งจิต ร, รับรู้เชื่อฟังถ้อยคำบุคคลให้ทานตามการแล้วในที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขายอมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และความต้องการทั้งหลายของเขาที่เกิดขึ้นตามการย่อมบริบูรณ์บุคคลให้ทานมีจิตอนุเคราะห์แล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและจิตของเขาย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคในการมคุณห้าอันโอรานข้อนี้คือมีทรัพย์แล้วคิดใช้ทรัพย์ ไม่ทนอดอยากแบบปู่โสมเฝ้ารั์บุคคลให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและความล่มจมแห่งโภคะของเขาย่อมไม่มาจากที่ไหนไหนคือจากไปจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทผู้รับอรดก ซึ่งไม่เป็นที่รักดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหละสักบุริสตานห้าอย่างข้อความจากปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกาย41ลักษณะห้าของวาจาสุภาษิตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบด้วยองค์หนับเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษอันผู้รู้ติไม่ได้คือหนึ่งวาจาที่กล่าวถูกต้องตามการ 2. วาจาที่กล่าวเป็นความจริง 3. วาจาที่กล่าวอ่อนหวาน 4. วาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์ 5. วาจาที่กล่าว ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลนับเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษอันผู้รู้ติไม่ได้ข้อความจากปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกาย42สองเหตุที่ทำให้พระสัตวธรรมตั้งอยู่ไม่นาน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณป่าภัยใกล้เมืองมิถิลาลำดับนั้นท่านพระกิมพิระเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัทวธรรมไม่ตั้งอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้ว ดูก่อนกิมพิละเมื่อตถาคตบริณิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาไม่เคารพยำเกรงกันและกันนี้แหละกิมพิละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัตว์ธรรมไม่ตั้งอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตบริณิพานแล้ว ข้อความจากปัญจกนิบาตอังคุตระนิกาย43เหตุที่ทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้นานพระกิมพิละกราบคุณถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วก็อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้เคารพยำเกรงในพระศัสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาเคารพยำเกรงกันและกันนี้แหละกิมพิละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัตยธรรมตั้งอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วข้อความจาก ปัญจาการนิบาตอังคุตรนิกาย